สำหรับอัตมายอมตัวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตและจิตใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกในวัฏจักรงสารโดยด่วนนะปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมอันใดที่รุดทษนไหมก็กอกไม่ได้เศษข้าพเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดทอนตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อไม่เหลือเลยมันลงอันนั้นมันมีมันไม่มีอนาคตอนาคตมันตัดออกแล้วแต่วันบวชมันไม่คด แล้อเลิกได้ไม่เลอกได้ก็ดีขอทูลถวายสกุลกายวาจาใจให้พุทธธรรมสงฆ์ชี้รถเยี่ยวรถเหยียบย่ําถมน้ําลายคายน้ำโมกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์กในวัฏสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อไม่ประมาณนั่นเถิดแล้วเลือกได้เมื่อเลือกได้ก็ดีในสัพไตรลกธาตุนี้จะอุทิศสกุลกายวาจาใจเป็นสัพไตรลกธาตุครบหมด แล้วทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณแล้วลึกได้ไม่ได้กรณีเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักาสงสารโดยด่วนนะปัจจุบันชาตินี้เถิดแล้วลึกได้ไม่ได้กรณีขอเป็นข้าเป็นท้าวพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ใน่าฏจากรสงสารอยู่โดยทุกวันเถิดแล้วลึกได้ไม่ึกได้กรดีขอขมาโทษต่อพระพุทธธรรมประสงค์ผูกขาดจองขาดอยู่ทุกวันไม่มีประมาณเพื่อพนทุกข์ในวัฏจักาสงสารโดยด่วนนะปัจจุบันชาตินี้เถิดลงเออยันนี้เยอะนี่ ถ้าแผ่เมตตาก็มาแปลว่าสเปสตาที่ตาขนตุสเปสตาเวลาขนตุเดี๋ยวนี้ไปทางรัฐโยนิสีทุกท่านหน้าจะเป็นสุขในพุทธธรรมสูงอยู่ทุกเมื่อเถิดเลยถ้าแผ่เมตตาขอเป็นมิตรเป็นสหายอยู่ทุกเมื่อและรึกได้ไม่รุกได้ก็ดีขอปฏิจจาระเป็นไทยอยู่ทุกเมื่อขออุทิศกุศลผลบุญให้อยู่ทุกมเกมื่อมไม่มีประมาณไม่ว่าแต่ทุติย ต, ตาติอธิษฐานไว้แล้วอธิษฐานอภาระมีสัมปันโนสัจจะปาระมีสัมปันโนอธิษฐานไว้ในประมัฏฐะปารมีสัมปันโน ในสักกะประเมสัมปนุอธิษฐานไว้สองข้อเองหนึ่งจะไม่ผ่าตัดในโรงพยาบาลใดๆทั้งสิ้นสองจะไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลอธิษฐานอันนี้อธิษฐานไว้แล้วได้เรียบแล้วหน้าภูมิใจเจ้าของที่อธิษฐานได้ท่านเนีมน์ให้ไปให้ให้ไปผ่าไปตัดที่โรงพยาบาลชิริราชก็ไม่ไปตอบท่านไปแล้วได้ตั้งสัตว์ไว้แล้ว ไม่หนึ่งโรคไส้เลื่อนยังพงดูสองโรคหัวใจสามโรคลูกหมากโตวัสวะสี่โรคท้งน้ำดีเป็นเนี้วห้าโรคภูมิแพ้หกโรคท้องผูกเ็โรคโรคกระเพาะโรคกระเพาะเขาเรียกว่าโรคพรณธดึกลูกปูลกปูโรคกระเพาะก็คือโรคพรณธดึกนั่นเองคนโบราณ ไทยเขาเล่าให้ฟังปีไปภูเก็บพังงาหลวงปู่เปนโลวพ่อเป็นโรคท้องผูโกโรคท้องผูกก็คือโรคพลระดึกนั่นเองเน็บชาลำไส้พอดื่มน้ำน้อยมันไม่ถ่ายเขวาวนะ่าถ้าอรั ญ, ญาวาสียังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าอรั ญ, ญาวาสีพินาศลง คามวาสีจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนมอดมวยสุดชิ้นสกุลพุทธมันมีในหนังสือด้วยเอาหนังสือมาแจกกันเว้ยหมู่ของเขาน่เติมสรับรันไม่พอสิบวันก็อยู่กรมตำรวจของเขาไม่ได้เข้ากรมตำรวจเลยระเขาเขาบอกว่าพอขึ้นรถแนี่ยพอเร ถ, ถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงค์คุณนนวิรารมาเาเพราะเราอยู่ในที่อันตราย เราไม่ประมาทหนังสือตัวไม่ประมาทถ้ากขาปั้นเนี่ยปรากฏอยู่อยู่ที่หน้านะอยู่ที่หน้าแล้วยาประมาทย่าประมาท ม, มันนึกอยู่อย่างนั้นโอ้โหไม่จําเป็นก็ไม่แซงเขาถ้าเราไปแซงเขาถูกไอ้ขี้เมามันมาให้ยอมไม่ให้เราขึ้นขึ้นหน้ามันก็แข่งไปห้านาทีสิบนาทีจึงขึ้นหน้ากันได้หนทางไม่ใช่ขนหนทางเราคนเดียว เดี๋ยวนอื่นก็มาข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างก็เพงเขาว่าอย่างงั้นเราไปแข่งนีกัคนชื่อเมาเราไม่รู้ว่าใครจะเมาหรือไม่เมาแกพูดอย่างนี้น <c oughs> เวลาทางสามแยกข้างสี่แยกเราเป็นหนทางจัตวาเขาเป็นหนทางเอกถ้าไม่พอที่จะผ่านเราก็อย่าโผล่เข้าไปือ อาเร็วไวที่สุดเขาไวเขาบอกมันจะมันจะไปมันไปมันก็ไปได้ที่ประเทศไทยนี่เองมันจะขี่ข้ามมหาสมุทรอินเดียไม่ได้หรอกมันพูดอย่างนั้นที่มันที่มันที่ที่มันชนกันเพราะมันเอาเปรียบกันนี่ไงใครก็ไม่ไม่ยอมใครเพ่งเลยเวลาเราอยู่บ้านของเราเราจะวิ่งออกไปทางหน้าบ้านของเราเขา่า ต้องระวังให้ดีถ้าไม่พอที่จะพ้นก็อย่าไปต้องรอจะกอดดูธารมะท า, า, าเรือเขาพูดตาก็ดีเลื้อปู่ตาก็ดีพอตาเขาเลาให้ฟังเออเราให้ลวกปูฟังเลื้อปูไม่เคยมีรถมีแต่เกุยล ง, ลงล่างๆล้วคำหนึ ง, นงจะเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังเวลาติดเวลาจะย้ายรถไม่จําเป็นไม่ไปเร็ว พ่อยเปือนมันแค่ก่อนเวลาจะหยุดก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะมาหยุดตึกก็ไม่น่าแต่นี่เสียจาเป็นมันพูดอย่งนั้นเสียงรถก็จําได้น่าหลวงปู่นะเสียงรถเดินธรรมดาหรือเสียงหรือเสียงรถเครื่องเสียก็ต้องรู้จักมันพูดกรินก็เหมือนกันไฟไม้รถธรรมดาหรือไฟไม้รถจริงก็ต้องรู้น่าหลวงปู่หนูก็เหมือนกันรถดังธรรมดาหรือรถเสียก็ต้องรู้จักมันพูดอย่างนั้นหมอนะ กระผมไม่เป็นไรเลยรถกระผมขับรถอยู่อุดรที่สองปีรถอุดรไม่ใช่คล่องง่ายๆมันก็ามากเหมือนกันพูดอย่างนั้นเขาได้ไม่นานและเดี๋ยวก็อยู่ครมตารวจเดี๋ยวเขอยู่ครมตารวจรถเขารถผมมาได้อยู่ครมตารวจเลยสะอาดดีด้านนี้ก็ไม่มีด้านหัวนี่ทำไมมี <c oughs> <c oughs> จุดศูนส์ูนย์ศีนอะไรเขา <c oughs> ขอเราเขาก็ามาได้ผูกไฟเขาไม่เขาปวด ที่นี่เวลาเขาลืมของนะลุงปูนะไม่จำเป็นก็ไม่เอาของเขาเขามาถามก็ต้องได้นี่ก็เริมรถเขาคุณรักแทงมูลนั่นสามอ่างด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกได้เชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยแด้รั่งเกียดถูกไหมกฎหวายของคุณถูกนะแล้วรังรังโรงรังแอน เออลังลุกนังแอนจะถาไร้ขามือไม่ได้เอาวางไว้เออวางไว้กับแดนรู้กันเออแดนก็เหมือนกันอันนี้ที่มาบวชจะล้งปูปีที่แล้วนะ่ะนายช่างที่ไปทํานใยประเทศมาเมื่อวานเนี่ยที่พ่าตัดไตเลือดปีที่แล้วที่มาบวชล้งปูไม่ได้ผ่าตัดล้งปูล้งปูไม่ได้ผ่าตัดล้งปูสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดคุณหมอ คุหอเขาเนี่มันไปผ่าไปตัดที่โรงพยาบาลก็มาได้ไปเขาบอกเข า, ามีจดหมายบอกมาบอกว่าสำเร็จข้าวลมรายชาทรงอนุญาตให้กับผมมานวันเดินบอกเอกสารเอามาให้อ่านปะเดินบอกเอกสารปะมาอ่านปะอายุอะไสามสิบเอ็ดสามสิบเก็ด ในความแตกฉานในกฎหมายกฎหมายก็ออกไปจากพระวินัยของพระวิวาทาธิคทรสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่คู่วิวาทาธิกรเทียมกันสิ่งนี้เป็นวินัยสิ่งนี้ไม่เป็นวินัยนี่คู่หนึ่งสิ่งนี้พระธาลคตเจ้าทรงบัญญัติไว้สิ่งนี้พระธาลคตเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้อันนี้คู่หนึ่งสิ่งนี้พระพุทธเจ้าวัน ประพฤติมาสิ่งนี้พระพุทธเจ้ามาประพฤติมาสิ่งนี้เป็นอาบัติสิ่งนี้เป็นอาบัติเบานี่เถียมกั น, นเป็นคู่กันคูน่สิ่งนี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลือสิ่งนี้เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้สิ่งนี้เป็นอาบัตหยาบคายสิ่งนี้เป็นอาบัตไม่หยาบคายเทียมกันเป็นคู่กันคู่อธิกรณนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่รีบงับสี่อยากทำให้เกิดนานาสังวรนานานีิ迦อัถนาสะเพสะกะระวัตถุ ตามาลีแจกไว้เข้าคู่มีสิบแปดถาดวิวาทาจิกรอนเป็นเหตุให้เก okay? it mm ิดอนุวารธาจิกรอนวิวาทาจิกรอนคือวิวาทกันอนุวารธาจิกรอนเรื่องโจดอาบัตกันถ้าอย่างนั้นก็เป็นอาบัตนั้นสิถ้าอย่างนั้นก็เป็นอาบัตอันนี้สิอนี้เดี๋ยวโจดอาบัตกันการโจดอาบัตกันก็กลายเป็นอาภัตาจิกรอนเรียกว่าอวบัตถพวงเมื่อเป็นอาภัตตาจิกรแ่อนก็เป็นเหตุแห่เกิดนิหะ คือการขม่มการขม่มคือข่มยังไงพิษปลายจิตเตี๋ยาบอกว่าปลายจิตเตี๋ยเรียกว่าการขม่มให้แสดงอาบัตพิษสังขารที่เสดก็ไล่ไล่ค่าให้อยู่กรรมพิษารายชิกกับตองราชิกาเรียกว่านิฆะนิฆะคือการขม่มตามโทสารโอโซตปกหะแปลว่าการยกย่องตอนไหนถูกก็ทักกต้องยกย่อ ตอนไดผิดก็ข่มการปกครองรอรหมู่ถ้าไม่มีนิคหาพระคหถาเรืรอร่องปกครองมาอยู่พระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นจำเลยเป็นผู้มีสติภัยบูรณ์ไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะทำทำการและเมืด ก, กล่าวหาส่วนกรรมวายารจารวา้ให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโสดเสียพระพุทธศาสนาเพราะในขั้นพุทธการมันฟ้องกันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนในสมัย มัชฌิม ก, มการปฐมอาการไม่มีเพราะมีแต่คนคนมาลักออกบวชก็มีอะไรกว่ามีสารพัดจําเลยต้องให้การเป็นอย่างดีอยาขุนเคืองผู้โจทย์ต้องอย่าโจทย์ด้วยหวังแพ้หวังชนะหวังเพื่อความเป็นสุขในอนาคตอย่าหวังเอาแพ้เอาชนะผู้พิจนารณาคาดีต้องเป็นผู้มาเห็นแก่อามิต เพวังดีในพระพุทธศาสนาะเห็นแก่ทำรรแก่วินัยอย่าเห็นแก่บุคคลและอา mith พระพุทธศาสนาะสอนอย่างนั้นทีนี้ขโมคขลาไปภูเขาคิดจะกูดไปเห็นมาสองปากเป็ดมาสองปากไปเห็นเป็ดตัวหนึ่งอีกต้นไผ่หรือหลักฝอยูที่หัวเนี่ยไว้ตรงเตีงตรงเตีงอยู่่นี้่ล่อคางอยู่ แต่พระองค์อื่นมาเห็นเพราะมันมีตาทิพย์หูทิพย์พระโมคคลาท่านเห็นท่านก็ยิ้มแล้วพู้เป็นเจ้ายิ้มอะไรเออยิ้มอะไรพูดให้พระเธอฟังพระเธอก็ไม่รู้ไอ้หนุ่ยนี่หรอกไปถึงพระสมานพระพป็นเจ้าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังพอมาถึงพระบรมศาสดาลงมาจากผู้เขาเกิดสมุตรลงสมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าขอโอกาสกาบทูลไปที่ ตัวเป็นเป็นมาาสองปากทัเขามีบุพกรรมอะไรเขาเป็นคนคนตัดสินเขาอยู่ในมนุษย์เขาเป็นคนตัดสินไม่ถูกตามระเบียบกินทั้งทางโจดกินทั้งทางจําเลยเขาก็เลยเป็นมาาสองปากตายไปไปตกนรกออกจากนารกเป็นมาาสองปากที่นี่เปรตจาพวกที่อยู่หัวนะ ไปตรงเตงตรงเตงเลยฮะมีเสาฝัง อ, อ, อยู่ก็มีมีต้นไผ่อยู่ก็มีว่าทำอะไรแต่ชาติก่อนเออเขาไปถอนถอนเขตแดนไล่นาคนนั่นคนนี้น่าเขาเขาก็ชิงเอาถอนแล้วก็ชิงเอาย้ามไปชิงเอาเมื่อตายแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วแล้วก็เกิดมาเป็นเปรตมีอะไรฝังตูจ้จหัวมีคอไปหรืออะไรฝังหยูนั่นคืออย่างนี้ที่นี้ ยุเปดจำพวกหนึ่งก็มีมือเท่าใบตานเขาทำกรรมอันใดแต่ในมนุษย์เขาไปจับต้องกายหญิงอยู่ที่วัดจับร่างกายของผู้หญิงจับต้องกายหญิงจับนมเขาว่าแล้วเขาตายไปเขาไปตกนรกออกจากนรกแล้วเขาก็มาเป็นเปรมือเท่าใบตานมันมันมีอยู่ที่ไหนบ้างเพ ร, ราะว่าเราม่ศาสนา เออก็เธอลงเห็นลงมาจากผู้เขาคิดจะกูดเดี๋ยวนี่ใช่ไหม <laughs> ที่ถามอีกไปนี่เก้าขึ้นไปเมืองสวรรค์ไปเห็นวิมานวิมานคนที่ยังไม่ตายเขาทําบุญกุศลสร้างไว้ในมนุษย์โลกแล้วมันไปนเกิดใน ส, สวงสวรรค์คอยแล้วมันมีไหม ก็เธอลงมาจากเขาเยานี้เธอไปเห็นอยู่เขาบอกว่าวิมานงั้นธมามนพใช่ไหมครับคับครับครับถูกแล้วงั้นธมามนพเขาอยู่บนนุดโลกเราสร้างกุตติวิหารให้พระตามสิิติกำลังของเขากระทับกระแทบมันก็เกิดวิมานว่ายท่งสองสวรรค์คนเอาทําดีอะไรอะไรมันก็เกิดว้ในเมืองสวรรค์ถ้าไม่ทาดีมันก็ไม่เกิดอาารยูนะครับ อันนี้น่าเชื่อจริงจนีงถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาทำดีก็ไว้เป็นที่พึ่งของใจทำชั่วก็มาเป็นที่พึ่งของใจพระใจเป็นผู้ทําใจเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระบรมศาสนาก็ยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าไป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้สร้างขึ้นแต่พระผู้เป็นเจ้ามันมันไม่เหมือนพระผู้เป็นเจ้าเท่าอื่นศาสนาอื่นศาสนาอื่นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องเป็นผู้อื่น ศาสนาพูดบอกว่าพระพุทธ เ, เจ้าจิตพระพุทธ เ, เจ้าใจเจ้าของนั่นเองสร้างขึ้นพระบมศาลายินเนี่ยนะเราสถาพวัดบอกพวกคุณก็บอกได้จต่กว่าจะทําแทนไม่ได้หิ้วข้าวก็ทานเองหิ้วน้ําก็ดื่มเองเราสถาพวัเป็นเพียงเชื่อบอกถ้าทำไม่ได้อยู่ก่อนสถาพวัก็บอกพวกเธอดไมได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขารับธรรมมนุษย์สมบัติก็คือเว้นจากอบายอย่างพวกทุกประเท ถ้าเล่นจากอวยัยวุฒทุกประเทศแล้วก็คือมนุษย์สมบัตินั่นเองถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นมนุษย์ทบัตรถ้ามนุษย์ทบัตรก็สวรรค์มันก็จะอิบัตไปตามกันโทมก็เหมือนกันนิพพานก็เหมือนกันนี่นีนี่นี่ น, น, น, นี่จดหมายเอกสารอ่านดูสินเราแก้ปัญหาอย่างห น, นักได้เน้อเราแก้ปัญหาอย่างห น, นักได้นี่นี่นอ่านอ่านให้หมูฟังดูนี่ดูดูนี่คนมารบกวนให้หลวงปูไป่ไปผ่าไ ป, ไปตัดหลายครั้งแล้ว แล้วปู่ไปตัดหลายข้างแล้วแล้วปู่เว่นนั้นเว่นนี่มาตลอดมาตลอดมายกยกชุดท้ายมันเป็นยุคสำคัญเนี่ยพขาก็หลอกลักปู่ไปจนถึงโรงพยาบาลเซิตเตเวสละลักปู่ไปถึงท่านลักปู่เขาไม่ได้ผ่าเขาก็เลยทำตามเรื่องส่หลอกไป<_><_><_>อ่านดูดูดอ่านให้หมูฟังสิเ่นีแย่หนีแม่แ่าม น, น เพราะมันก็เห็นหงเียมันเห็นพวกมุมมึงมันตอใสายแว่นตาเฮ้ยแว่นตาเราประหยัด้นตาปรดหยัดมาอ่านอ่านดูด้วยตาดีๆอ่านดูสิเรื่องจากเรียนนิมนตพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาสาราผ้าในมัตยมหลวงปู่ร่ายเสน่ปัตโจมาด้วยความกรรโชกยิ่งเจ้าพระพรมศาสราจาในแท้ประดิษฐเจริญไทยทวีติจติการปรีมหาวิทยาลัยไม่ดน ผู้ซึ่งได้เคยรับความไว้วางพ ร, ราหาารุทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ดูแลรักษาสุขภาพและอาการอาภาษของพระภิกษุที่ทรงคุณปัญญาประเสริฐ ด, ดำรงอยู่ในสมณสารูปอันงดงามเป็นที่ทรงเรื่องใสจเจริญพระราชศรัทธาอยู่เสมอมามีอาทิหลวงปู่แวนสุจินโนหลวงปู่โตหลวงปู่เทศ ยานนารังศรีท่านอาจารย์มหาบัวยานสัมปันุหลวงปู่บัวพาหลวงปู่สามหลวงพ่อประเสริฐเขมโกและท่านอาจารย์พุทธธาตเป็นอาติบัดนี้ความทราบฝ่าระองธุรีพรบาทว่าท่านอาจารย์หลวงปู่ล่าถิยงปัตโตวัดบันพุท ธ, ธีเลตุจอกก็อ อ, อ, อําเภอคำเชีจังหวัดมิกดาหารอาพาธด้วยโรคหัวใจ และไส้เลื่อนสมควรที่จะได้เข้ารับการรักตรวจรักษาโดยละเอียดณนะโงรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทั้งยังทรงห่วงใยในอาการอาภาษนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำานกบำรุงการพระศาสนาให้มั่นคงถาวรจเจริญ ง, งอกงามในแผ่นดินด้วยการสนับสนุนพระสงฆ์ผู้ทรงสมณะสาลูก ไว้คำจุนการพระศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปเจ้ากับผมทราบดีว่าพระคุณเจ้าไม่ประสงค์ที่จะเดินทางพักค้างอ้างและค้างแรมนอกวัดหากไม่มีจิตจำเป็นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเจ้ากับผมก็เข้าใจและเห็นใจเป็นที่สุดแต่การภาดนี้หากไม่รีบดาเนินการตรวจรักษาไว้แต่เนิ่นๆโอกาสที่จะหาย เพื่อมีชีวิตอยู่สืบทอดสนองพระมหากรุณาในการพระศาสนาก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จสมดังพระราชหานุทัยที่ตั้งตั้งหมายเ้ากับผมเองก็มีราชาการค่อนข้างยุ่งมากในระยะนี้ไม่มีโอกาสขึ้นมากราบธรรมักการตรวจพระเบพกะคุณด้วยตนเองได้จึงของกราบธรมจัการมาด้วยหนังสือนี้ด้วยทรงมีพระบรมาราชองการโปรดเก้า ให้เก้ากระผมกราบเรียนทิมนพระเดชพระคุณหลวงปู่เข้ารับการตรวจรักษาการาพัในโรงพยาบาลสิริราชโดยเร็งที่สุดเก้ากระผมจึงกราบรมราชการมาด้วยความเคารพหากพระเดชพระคุณตัดสินใจประการใดขอได้โปรดหาเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและนายแพทย์ผูในการโรงพยาบาลมุกดาหารจัดดําเนินการซึ่งสำนักราชาเลขาธิการและก้ากระผม ไะได้ประสานงานในโอกาสต่อไปเร็วๆที่สุดทั้งนี้ต้องกราบเ้าขออภัยมาเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ด้วยโดยกล่าวกับผมขอกราบเรียนสัญญาว่าจะอำนวยความสะดวกดูแลอาการาภาพของหลวงปู่ในครั้งนี้ให้ดีที่สุดเจ้าที่เจ้าว่าผมจะทำถวายสนนงพระมหากรุณาที่คุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมาตรการมาได้ความารกยิ่ง นายประดิษฐ์เจริญไทยทวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมามหาดโลนที่นี่เราจดเอกสารไว้ฉบับเดิมมันอยู่ที่อยู่ที่ละเอ็ดเขาเอาไปแล้วเขาไม่ไดเอามาฉบับจริงอันนี้เราโรนี่เราเราเขียนอะไรที่นี่ตอบที่นี่เอกสารตอบแล้วก็แล้วก็เอาไว้แล้วต่อไปเนี่ยอ๋อนี่ติ่ตอบเออต่อตตอบ วัดบันพุท ธ, ธีรีภูเจากอ้อนในคุณแม่มาถึงวัดพูเจากรร้อนถามว่าภูเจากอ้ออยู่ไหน่ไม่รู้นี่มู่เจากอ้อนนั่นตัวเจากอ้อมั น, นรนีนรห น, นัตัวเจากอมันมาถึงที่แล้วยังท่านยังไม่ทราบอ่านดูดูอ่านตอบช่ไหเจริญพรศาสาจ า, ารย์นาแพทย์ปรษเจริญไออที่นัถือไว้ในพระพุทธศาสนา จดหมายนั้นได้รับวันนี้ก็สอบวันนี้รู้สึกเป็นบุญอันล้นเหลือไม่มีประมาณและก็รู้จักความหมายในจดหมายทุปกปากรแล้วเมื่อพิจาราณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็เท่ากับว่าทรงพยาบาลรักษาให้โรคทั้งหลายหายหมดแล้วข้อทรงพระมหากรุณาเจตนาดีแต่คำสัจจ ะ, จะอัตมาภาพที่ได้ตั้งไว้แน่นหนามานานแล้ว เท ว, วดาทั้งหลายทั่วทั้งใจโลกธาตุคงจะคอยมองอาตมาอาตมาภาพว่าจะรักษาคำสัตว์ไว้ได้เพียงใดที่ตั้งคำสัตว์ไว้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเรื่องคำสัตว์เท ว, วดาท่านผู้ใจสูง ก, ก็คอยจับอาตมาภาพว่าจะมีคำสัตว์จริงหรือไม่และเจตนาของอาตมาภาพเล่าก็ไม่ได้นึกสิตโทษตนเองเลย ก็ได้พิจารณาเรียกคายในส่วนตัวแล้วเป็นสัตว์จะที่ควรรักษายังมีความภูมิใจอยู่ที่ได้รักษาสัตว์ไว้ที่ตรงกับคำว่าสัต์จังเวอ ม, มตาวาจาโอ้แมอันนะั้นคือได้เออเป็นคูค่ะพลาดไปคำพูดจริงเป็นคำพูดที่ไม่ตาย <c oughs> ดังนี้และอีก ประการหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นห่วงกุจิวิหารและวัดวารามจนไม่ไปนอนค้างคืนในที่ใดเลยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความแต่เพียงว่าจะไม่ไปนอนค้างคืนในโรงพยาบาลและผ่าตัดใดๆเลยเพราะมีความนึกเห็นเป็นพิเศษว่าเราเป็นพระป่าพระเขาไม่สมฐานะจะไป น, นอนในโรงพยาบาล ให้กีดขวางท่านผู้อื่นและก็รู้จักประมาณตัวส่วนครูบาอาจารย์ขอยกไว้บนเก้าบนกระมอมเพราะท่านไปที่ไหนท่านก็ทําประโยชน์ที่นั่นให้คุ้มค่าส่วนละตมาภาพนี้ไปที่ไหนก็หนักที่นั่นไม่คุ้มค่าเพราะคุณสมบัติของตนไม่มีจําต้องเก็บตัวอยู่ตามภาษาแม้จะไม่มีท่านผู้อื่นเพ่งโทษ ตนเองเพ่งโทษตนเองตอนไหนอันนั้นจะล่วงละเมิดไม่ได้เสียชีพดีกว่าเสียสัตว์เสียชีวประวัติเสียชีพเสียดีกว่าความเห็นชนิดนี้มิได้หมายความว่าจะตั้งใจไว้กระทบ ก, กระเทือนชาวโลกทั้งพวงจะตั้งไว้จะตั้งไว้จะตั้งไว้กระทบ ก, กระเทือนชาวโลกทั้งพวงว่าตามวาสนาบารมีของตนต่างหากชาวโลกจะกล่าวตูว่า โมหะสัจจะก็ยอมรับก็ อ, อื่นยังมีอยู่อีกนิสัยของอาตมาภาพเป็นคนวิจาร์มากวิจาร์ว่าองค์สมเด็จพระบรมาศาสด า, า, าฉันหมูง้ว น, นนะมูง้วนของนายจุนทะกรมมาระบุตรกรรมมาระบุตรแล้วในวันนั้นก็ทัดเซพปเนจรทรงสเสด็จถึงเมืองกุสินารา ในวันนั้นพักแรมอยู่ที่ป่านางรังอันเป็นทางทิศตะวันออกของมังกรศรีนาลาที่เราเรียกกันว่าสาระวันทยานป่าไม้สาระแปลเป็นคำไทยก็คือป่ารังแล้วองค์ท่านจวนจะสว่างในวันนั้นท่านก็สิ้นลมปราณเข้าสู่อรุปริเศสนิพานไปซะส่อสแสดงให้เห็นว่าองค์ท่านเอาป่านางรังนั่น เองเป็นโรงพยาบาลอีกประการหนึ่งองค์หลวงปู่มั่นองค์ท่านเป็นฤาษีดวงทวานหนะักก็สิ้งลงลนลมปราณไปพร้อมกันและก็เป็นมานานด้วยไม่เห็นองค์ท่านไปโรงพยาบาลที่ใดๆเลยอันนี้อาตมาภาพก็เอามาคิดที่ปารกมามากก็เพื่อสอสแสดงให้เห็นเจตนาของอาตมาภาพ ที่นึกหวนเห็นไปต่างๆตามภาษาศีบาาก็ว่าได้จะถือว่าเป็นโรคจิตและโคงสร้นก็ยอมรับที่องค์สมเด็จพระบรมมหาราชาทรงพระกรุณาทรงพระเมตตาหาประมาณที่ได้นี้ก็เป็นของหาได้ยากในรลปนี้และโลกอดีตโลกอนาคตด้วยขอให้นายแพทย กราบถวายบังคมทูลใต้ป่าละ อ, องทุรีพระบาททรงทราบด้วยข้ออื่นยังมีอยู่อีกทุกวันนี้โรคหัวใจก็ดีโรคลูกหมากโตก็ดีคุณหมอโรงพยาบ า, าลศีรษะเลนขอนแกันท่านก็เมตตารักษาอยู่แล้วตามสติกำลังแต่ไม่ได้ไปนอนท้างนืนในโรงพยาบาลหรอกท้ายแห่งการปารบมายรื่อยยาวนี้ ด้วยเดชก็พทธศาสนาอันทรงก็คุณ่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุ่้วนหน้าทั่วทั้งใจโลกาจึงได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินตอบจดหมายมายด้วยความนับถือไว้ในก็พุทธศาสนา อยูยั้งึ่งยงเพื่อทรงทำอันไม่ตายแน่านานแพทย์ า, าะจะมาเองตอบรับไปอีกนะเพื่ออะไทราบข่าวว่าจะมาตอบรับไปอีกนะเจริโอเอจเริลพรศาสราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไทยทันีที่นักถือในพระพุทธศาสนาเรื่องการควรของอาตมาภาพเป็นหน้าที่จะได้ปารภให้ฟังก่อสังเตว่า เพื่อบันเทาความห่วงใยต่ออาณาอาตมาภาอาตมาข้อหนึ่งโรงพยาบาลศรีนักเรนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านก็ได้เอาไปตรวจหลายครั้งแล้วและท่านก็ไม่ได้สงสัยในโรคโรคหัวใจโรคไ้เลื่อนโรคลูกหมาโตโรคหูน้ำดีเป็นนิว้วยังมีโรคภูมิแพ้ันหลังอีกโรคกระเพาะท้องผูกทั้งหลายเหล่านี้รวมความว่า พวกคณะคุณหมอโรงพยาบาลศรีนัชรินนายแพทย์นกพดลทองโสกิจนายแพทย์วิรัติสังบุญสรงนายแพทย์เชื่อชัยกันจิเรนนายแพทย์พุสาลไม้เรียงนายแพทย์วัฒนาสุขีไปารานเจริญแพทย์หญิงมะลิอาจริยะญุณพลแพทย์หญิงกนกุกรักนันทพิรุษนายแพทย์วรนลบเหล่าไยบุญเป็นต้นท่านคุณหมอทั้งหลายดังป้าโรคมานี้ ท่านได้เมตตาใจใส่รักษามาเป็นเวลาห้าปีแล้วข้อสองอันคำสัจที่จะมาภาพตั้งไว้นั่นเองเป็นของสำคัญมากสิ่งอื่นไม่สำคัญท้ายนี้ด้วยเด็ดพระพุทธศาสนานทรงพระคุณค่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และผู้ไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลาย อย่าได้มาเกิดแก่เจ็บตายในสัพพโลกทั้งปวงนี้อีกเลยตอบจดหมายมาด้วยความนับถือไว้ในพระพุทธศาสนาพระราาเขมปัตโตใครอจนีจะฝันนะ่ะพระพีบ้าจะตอบได้พระป่าพระเถื่อนนันเห็นกำลังพระป่าพร ะ, ะเถื่อนไหมพระพรีบ้าทาไมตอบได้สูสๆใครจะไปกับกูท่านจะเอาเครื่องบินมารับมันก็มีแต่เท่านั้นอนะ พรันี่ว่าไม่ใช่พี่หลานหรอกนะสูสูพระองค์ไหนจะไปกับเราท่านจะเอาคัปเตอร์มาลงนี่เอาหอมาลงนี่มีแต่โานั่นล่ะป้ายป้าแตงป้าป้ายป้าย้าป้าแงบาดแตงบาดมีแต่โซนั่นล่ะอันนี้ทาไมแกได้เนี่ยพระพี่ว่าองค์นี้นั่ง เ่ยดนะูประจันบานหมดแล้วอ่ามดเรื่องละคุณหมออดอมเข้ามานี่แต่ก่อนนะ่ะคุณหมออดอมเข้ามานี่ทนายจันแบรนคนหนึ่งมาด้วยถ้าคุณอินมาด้วยแต่ละปีแล้วเนี่ยก่อนเรื่องนี้จะมาเอาหลวงพ่อพระหาปรัดที่โรงพยาบาลหลวงปู่ฟันานถ่าทันแล้วก็จะตามมาที่นี่มารักษาอยู่ที่นี่หายแล้วจึงจกลับไปที่อื่น ถ้าไม่ต้องการนอนข้างเคืยในโรงพยาบาลก็ยับผ่าศักดแล้วก็จะเอาแสรถหรือขึ้นเครื่องวินไม่มีที่จอดเครื่องวินถ้าไปจอดก็จอดนครพนมมันก็ต้องขึ้นรถขึ้นรถมาพักเกิดทนี่เออขอพระคุณแล้วถ้าคำอภัยแล้วหายแล้วเพราะเจตนาดีขออาภัยมากๆเรื่องคําศัดอธิบายคําศัพท์เรื่องนี้ฟังตอนจบแล้วก็ฉันชื่อสะเลย อย่างชี้อเอะไรคืนไปเสด็จท่าบบนอาจารย์แวงก์ก็หนั่งี้ง่านอาจารย์แบงกท่านอาจารย์แบงก์น่ะอ่อนก่อนกว่าเราพันศาท่านอินท่านอินจําภาษาอยู่คับเราเก้าพัษาแล้วออกจากเราไปเนืเ้อแขนคุณอนนั้นตามมาตามตัผมเคยเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลชีรา่าตและเคยเป็นรัฐมนตรีแต่เดี๋ยวนี้จบเกษียณเลยสาธุ นาแพทย์เออขอบพระคุณแล้วพรเท่าพรว่าแล้วพระแเพราะเจตนานีขออภัยเล่าให้ฟังเพราะเหตุนั้เล่าแบบนี้เลยสัน่นศีรษะเลยกลับไปทีหลังอันนั้นมาอีกทีหลังอันนั้นมาอีกเรื่องหนึงอุกชะกันเหมือนกันพวกคนกรุงเทพมาผู้หญิงอายุ ป, ประมาณสามสิบสามสี่คน มาเอาอยประมาณสามสิบลูกๆจะเอาหลงปู่ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลซิมิติเวเพราะองคหลวงปูนะ่นั้นเกณฑใจมนุษย์เขาเออกอะไรมาให้ก็ให้มาให้กอยฉันกั๊ปกัมันควรเพิ่มโรคอะไรก็ต้องไปตรวจโรคเสียก่อนเนะี่ยหลวงปู่ออจะไม่ร่วงหลวงปูป่ประสาป่ตัดหรือไม่ร่วงหรอก พระรู้ดีแล้วว่าองค์หลวงปู่ไม่ผ่าไม่ตัดวัญหาเขาเก่งเหมือนกันทีนี้หลวงปู่มันไม่ไ ป, ไไ ป, ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลจะไปโดวยวิธีไหนล่ะก็ไม่ยากหลวงปู่แต่ว่าจะได้กลับกรุงเทพเชียงก่อนไปบังคับกลับกลับไปสองสาวันมาพระองโ์ๆไปเคลียร์เขาไว้แล้วรัดคิียวนะหลวงปู่รัดคิวไปเคลียร์เขาไว้แล้วรับคิีวหลวงปู่ไปเคลียร์เขาไว้แน่ ให้เงินพิเศษเขาแล้วรัดคิวแล้วจากไนเราเปที่ไหนมันไม่ยากมันอยู่กับหัวขิดของพวกลูกเองตื่นเช้ามาแล้วก็ปรือไปขึ้นรถเราไปนี่ไปขึ้นเครื่องบิน อ, อุบลไปฉันอาหารที่โ อ, อบอนสามโมงเช้าขึ้นเครื่องบินแล้วก็ปรือไปเลยแล้วก็พอจะกลับในเวลาแั้วก็กลับวันนั้นเองจะซื้อรถใหู้ตู้นอนนะครับรถไฟรถ ไ, ไฟด่วนเพราะมันเครื่องบินมันคงหมดเวลาแล้ว ก็กันําวเราก็ไปอย่างผืนๆลองดูๆหน่อทางอาหารไปทางอาหารชาวพาไปเขาเอารถมาด้วยจูบกุเขาก็ไม่เอารถมาเขาจ้างรถทางนี้ไปไปทานอาหารเนี่ยเวลาชาวเขขึ้นรถเขาเคยจางเครื่องวินให้นั่งแถวหน้าเราไม่เคยขี่เครื่องวินไอ้ราวอเออ ตายที่นี่กูได้ยินแต่ท่านอาจารย์สิงห์องท่านอาจารย์วันตกเครื่องบินกูก็มาเอาอีกครั้งที่สองละที่นี่เราก็นึกจากนั่นดิเราก็เลยนั่งภาวนาอยู่ตลอดเลยไม่ไหวใจตายต้องตายคาภาวนานะกูไม่เคยเครื่องเครื่องบินสักทีเลยตายกูตายที่นี่ตกใจเก่งว่ากถ้ากูตายแล้วกูจะไปเกิดที่ไหนกูต้องภาวนานั่งภาวนาเลยนี่ เขาก็ตามไปด้วยเขาขึ้นไปด้วยพอไปถึงนั่นก็ประมาณห้าโมงเพราะเราไม่เอานานฬิตามไปด้วยเราลงเครื่องบินมาไม่รู้ว่าใครมาถามเราไม่เคยเจอหน้าเขาเลยหลวงพ่อมาหรือหลวงปู่มาหรืออย่างนี้เราไม่ได้เห็นเขาเราไม่รู้จักเขาเอามาถามพวกทหารเออมาหลวงปู่มามีอะรน่ัน น, นั น, น, น, น เ, เขาขึ้นรถไปไหาโรงพยาบาลสมิติเวช พอไปแล้วพว่อขันใจดีเนะ้อเออรถปูมาแล้วรถปูมาแล้วเอารถมารับทีนี่รถมารับเขาเขอาไปในะห้องกืบคืบขึ้นสี่ข้างดูจะเป็นชั้นที่สี่ที่นี่เขาบอกว่าเออลรถปู่เรามาแล้วรถปู่เรามาแล้วโรงพยาบาลผีบ้านไม่มแมลงวันตัวเดียวก็ไม่มีนะ้อ <laughs> <laughs> มีทั้งโทรทัศน์ด้วยอยู่แน่น้นมีเทวทัศน์ด้วย <laughs> โจทั้งเจ้เทวทัตลูก ป, ปู่มหาเดียกว่าเทวทัตเพราะมันหมดเงินท่านว่าอย่างเงี้ยนียกว่าเทวทัตลูก ป, ปู่มหาลูก ป, ปู่มหามัวเรียก่าเทวทัตโดนทัตนี่นแล้วก็เออลูก ป, ปู่ลูก ป, ปู่ลูก ป, ปู่มาแล้วลูก ป, ปู่มาแล้วลูก ป, ปู่เอ๋ยให้ลูกๆตรวจดูลู ก, ดดลกอันทักสิมันจริงไหมเออนี่หมดอันหนึ่งมาทําไมถึงมาเอาเรื่องอันหนึ่งองีก เออได้มาแล้วมันไม่เสียเที่ยวให้ทุกคนกดดูซิขอให้องค์ลุงปูยืนยืนอยู่ที่เตียงแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสิบแปดปีใส่หมวกแคปแคปแคปแคเดินมาอย่างฟื่งฟ้ามาเขามาควายรับใช้กันควายรับใช้กันเขามามาจับเราดอกเขายืนอยู่นั่นแล้วพูดกับน้อยอย่างนี้แล้วก็จะยืนเดินให้เขารู้รูู้กอันธะ ล็อกไล่อะไล่คนนั่นนี่เออล็อกปูจะไม่พูดคนหนอนเออล็อปูจะพูดแบบลูกลูกหลานนี่คนหนูคนหนูไปไปไม่มาต้ล็อกคนหนูไปยืนอยู่ที่นั่นฟินหน้าไปทางทิศเหนือเนี่มีแต่คนหนอนใหญ่ขนาดอยู่นี่ล็อกอะไรเพราะเราเปิดลูกอัญชะให้เขาดูรลมตาของมันอย่างนี้ล็อกูุมันไปไปไปไปไปคนหนูไม่เอาไม่เอาไปไปไปยืนอยู่ที่นั่นเขาไปยิ้มที่นี่ น้องปูพูดกับลูกๆรรหลานไปสิน้องปู่ดุแล้วเขาเกับๆๆไปพินาศประทานนั้นหมดเวลาแล้วจึงมาเนอะล้องปู่จะบอกเราะพินาศประทานนั้นเขาหัวละอยู่เขาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับพูดกับลูกกับหลานเขาไม่ถือน้องปู่ต้องพูดเหมือนพูดกับลูกกับหลานจะไปถือน้องปู่เนอะบอกว่าพูดรักก่อนแล้ว เอมันเป็นลูกมันแทจ้จริงหลวงปู่ผ่าซะชิพ่านาทีเสร็จนะหลวงปู่นะเอออธิบายให้ฟังแบบนี้จนตลอดแล้วสัส่งซื้อถ้าจะนั่งเอาตามเดิมที่ไปรวงองค์ท่านมา <c oughs> ตามเดิมที่รงมหลระองค์ท่านมาเราก็เลยไ ป, ไปตรวจโรคอะไรอะไรต่ออะไรให้เขาให้ว่านทะยา กที่สขลอกไปเขาก็หมอบอยู่นันเขาเก่งวันจะดูเขานะปัญญาเขาเกง่งพวกกรุงเทพไม่ใช่คนโงโงๆอเนอคนกรุงเทพคนลึกพระป่าพระเขาไม่เคยเห็นลรงพยาบาลโกโกเก๋เดี๋ยวจะทิ่งคําศัพท์นี้ก่อนจะทดสอบเรื่องคําศัพท์ต่างหาถ้าหากว่ายอมผ่าเขาก็จะเอาแต่ว่าเขาจะเห็นภาพพจน์ของเราไม่มีศัพท์ เขลึกไม่ใช่คนงโงงู้น้อคนกรุงเทพอ่ะแต่เขาก็มาเช่นยวกันที่นี่เขาก็ตามมาส่งจริงจริงที่นี่ยี่สิบนาฬิกาเ ข, าขึ้นรถไฟด่วนค่าแล้วพราะรถติดกันสารพัดกรุงเทพอู้วานึกเห็นรถติดกันเนี่ยเราก็เบื่อเหลือเกินที่นี่ขึ้นรถไฟดกวนตู้นอน ก็ะไข้างหลังทุกจริงๆทุกจริงๆมาจนถึงทุกจริงๆทุกจริงๆมาจนถึงอุบลตนะิหน้าพอลงจากอุบลก็เขาก็ตามมาอีกเหมือนกันเขาจ้างรถมาลึกพวกนี่ตามมาอีกแล้วเขาจึงกลับบ้านเขามานอนนี่คือห น, นึ่งเองพวกนี้ลึกมากเลยตอนน่ะผ่านอุปสารามาแา้ผ่านอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่นี่แก้ตกอีกอนี่ ที่นี่หมดเรื่องนะที่นี่เ <c oughs> จ้าจบอีกผ่านอันนี้มาทีนี้มีอะไรพูดกันไปอีกทีนี่มีอะไรก็พูดกันไปอีกทีนี้ <c oughs> คําสอนใด ใ, ในแต่ละทวีปเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาหมดไม่พูดอีกก็จริงอีกเข้มพิษจะไม่เคลื่อน่างก็ชี้ไปในทางทิศเหนือคําสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นของพพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเหมือนเข้มพิษไม่รู้ตัวชี้ไปทางทิศเหนือ น, นั่นะ ไม่ขึ้นอยู่กับ ท, าท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับทา่านผู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่าท น, น, น, น, น, นผู้ไม่เชื่อเมือ่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้กับท่านผู้ไม่เชื่อแล้วมันลึกขนาดไหนนั่นนั่นนั่นเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำนึงในหลายทางน้าพี่น้องคอมือบางต่างไรลงสู่มหาสมุทรเรยนโดยไม่รู้ตัวจำใดคําสอนใดๆก็เป็นเรืองขึ้นคําสอนผู้ศาสนาโดยไม่รู้ตัวาะนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กกััับท่่่่าานนนนนนนผู้้เเชชืืออแลลวไไมึขดห คำสอนพระพุทธศาสนะาทําเป็โปรคบาลคุ้ครองโรคสองอย่างเท่านั้นถ้ามันมียาอายตบามไม่ไม่มีความวลัวตบามแล้วคนไม้ต้นหมูต้นพักต้นชั่วก็ตั้งมาอยู่อุ้งองทําแม่นําคํานึงก็หมทที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในเทีรับร่างกายมันสกรปรกถ้าไม่อาบน้าําเข้าหมู่ไม่ได้คิดใจก็เหมือนกันมันสกรปรกถ้าไม่แบบพืชสธธินทำมันก็ยิ่งสกรปรกมากนั่นนั่นนั่นน่นถูกไม้ม นั่นนั่ น, นี่ถ้ากรรมอะไรผลของกรรมไม่มีหลวงปู่ก็ไม่ยอมมาบวชหลวงาปู่มาบวชคราวนี้ไม่ได้บวชเพื่อโลกเพื่อสงสารอะไรไม่ได้บวชเพื่อเรื่องชีวิตไม่ได้บวชเพื่อหาราบหายศหาเสวนเสวปัญหาของหลวงปู่มันไม่น้อยหลวงปู่ต้องการพ้นทุกในวัฏสงสารสิ่งเดียวเหตุแคนั้นหลวงปู่ตึงแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตก ถ้าหลวงปู่บวชเพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสนับสนุนอะไรอันนี้ไม่ไม่แก้ไม่มีปไม่ไม่ไม่ไม่มีปัญหาจะแก้ไอหมูนี่หมอนี่ก็ไม่มีปัญหาจะแก่นะักนะักนะักนะักนะักนักเท่านี้พอแล้วถูกไหมนักเพราะขี้เหร่มันปิดบังมันไม่ให้แก้ถูกไหมนะักเท่านี้พอแล้วใช่ไหมนะักเอามีอะไรเรื่องพูดอะไรไปอีกหลวงปู่ให้ขอความเมตตาหลวงปูน่น้องชายน่ะ ใจไม่ค่อยดีไปถูกเพื่อนรักเพื่อนเจอกันเลยโกงเงินเป็น้สนแส น, นสนิทกันแล้วจิตใจแกไม่ค่อยดีค่ะถูกใจวุ่นวายเงินเป็นแสนก็จิตใจไม่ดีสิถือว่าเจอรักกันมาแค่เด็กๆแล้วก็เขามาโกงอะไรรักสนิทก็มาผิดสนับรักสนิทก็มาผิดสนับอยากขอบา ร, รมีหลวงปู่ให้ทํากําลังใจแกนหน่อย เออเดี๋ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว <ๆ S 2> ตามตามทำตามธรรมเทศนาแต่ก่อนบางทีแต่ก่อนเราเคยเป็นนี่เขานี่นี่นี่สถานหนึ่งหรือมาอย่างนั้นเขาก็มาก่อใหม่นี่นี่อีกสถานหนึ่งมันมีสองสถานเวรีนี้เวรีเวรอย่อม่ายนี้เวรเวรจะพ้นจากเวรได้กว่าพระไม่ผูกเวรด้วยเนี่ยคนเราพูดผสมพระสง์ ถ้าไม่ได้เคยเป็นนี่เป็นศีลกันแต่แค่ก่อนก็ให้เขาเอามาให้ซะถ้ามาอย่างนั้นแล้วกรจจำเป็นละแล้วแต่ผลกรรมแล้วผลขอ้อกรรมจะเป็นสารไต่สวนสารตัดสิล น, นะพวกเราอย่าไปเสียใจนะถ้าเคยไม่ถ้าเขามากหมาให้เอามาให้สะถ้าเขาไม่มากรมาก็แล้วแต่พระธรรมจะเมตตาถูกไหมพูดอย่างนั้นถูกไหมกังอะไรนะลงใจ นั่นนั่นนั่นนั่นองปูลูกเอาน้ำหวานมาถวายน้ำพระนาค่ะเออดีมนเลยน้ำตาลน้ำหวานกาแฟ้วเออดีมากดีมากลั่นเดคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แทบุดเทวราพระเอ็นพระมพระยมพการยศตัวโลกบาลเค่งสีะทั้งใจโลกธาตุจงวันรนดานให้เขาใจอ่อนเอาคืนมาให้ซักนี่ฝนทุธายอนี่ โอ้อนีให้ลงปูครับพนเ อ, อไปเป็นจุกบๆนะะเลอะทำ ไ, มไหไมอะไรไม่เคเถละนะถ้าเขาไม่ไปเล่นสาวก็ไม่เลอะกันหรอกเขาลูกศิษย์หลวงปู่ค่ะหลวงปู่รู้เลยเ<ข>จะบายหน่อยเ ข, เขาบายใจเขาเขายอมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หรือถ้ <c oughs> าไหว้หลวงปู่ทุกชถ้าเขายอมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ <c oughs> เขาก็ไม่ไปเล่นสาวหรอกเขากราบหลวงปู <c oughs> เช้าวันเย็นเลยค่ะทนายออแล้วก็ทำงานชื่อตัดีค่ะยึดคำสอนหลวงปู่เสมอถ้าทำงานไม่ดีเป็นมากสองปากเนา้ไ่เคหลวงปู่ <c oughs> ถูกไหมเอาเป็นคติไปเนะ้ะเงินมันจะได้น้อยก็ตามมันได้ทางบริสุทธิ์เลเอาถ้ามันไม่ได้ได้ได้ได้มาไม่บริสุทธิรานบาทก็จะเอา ไปไม่แทแนชาปนเพนก็อย่าเอาเนอะมันไปไม่รอดดอกเนอะเขามาหลอกใเรื่อยนะหลวงปู่หอกก็าตามเอามาเอาให้เรื่อยกองฝ่ามาหลวงปู่แต่แกก็จํามาสองฝ่าหลวงปู่ได้อาทิตย์นนี่แล้วหลวงปู่ว่าให้ทํางานด้วยทําบุญด้วยอพอไปก็ได้ช่วยคนออกจากกรุกันไ ม, ไม่ได้ช่าอะไรก็ต้องช่วยอย่างั้นเพราะว่าหลวงปู่เทศบามันติดียงั้นดีดีดีดีมากดีมากดีมาก ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบมันไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมก็แ่กเจอเดี๋ยวนี้ เ, ออเดี๋ยวผมก็แจกเจอได้มาในทางทางที่ไม่ชอบได้จะเป็นฝ้าแผ่นดินก็ไปไม่รอดแม่ร๊อกแก้วท่านไปได้ไหมแม่ร๊อกแก้วท่านไปได้ไหมเพราะได้มาในทางที่ไม่ชอบได้มาจากหวยจากขายอะไรต่ออะไรสาวัดหวยหวยเสมอกันอย่าไปพาการไปเล่น ละบายยมุกมีหลายอย่างเนอนักเลงหญิงนักเรงชรานักเลงรเรื่องการพนันของคนชั่วยเป็นมิตรเกียรข้าราชกานในทางที่ที่ชอบออลบายยมุกทุกประเภทเป็นเหตุให้ชิบหายซับมุขะมุข ะ, ขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากถ้าใครได้ทำแล้วก็เว้นซักเขาบอกเขาทำหลวงปู่เหมือนกันหลวงปู่เป็นโรคหวัวใจหลวงปู่เคยสูบบุหรี่วันละสองสองสอง แล้วปู่จะงดได้ยังไงเอองดของเพียงเท่านี้ไม่ได้มันก็ไปสวรรค์นี่ผ่านไม่ได้เอเราพูดลุงปู่จะทำยังไงไม่จับเข้าปากเสียแล้วมันก็แล้วเสียทีลูกเอ้ยก <c oughs> ็ได้อดได้มาไม่ได้สูบบุหรีม่มาสี่ห้าห้าปีหกปีแล้วก็เลยไม่เสียดายเลยสิ่งนี้นที่เราไม่เสียดายเราละเมดิดสิ่งนั้นมันก็ไม่นักไกลพระสดารันไม่เสียรายเราละเมิดทิ้นห้า ไม่ใช่นายอยากเล่นอบายจะมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นพระโสราวันท่านก็ไม่นักใจเพราะไม่เสียดายร่วงละเมิดค่ทําลายที่วันทิ้งแล้วไม่เสียดายจะเอาคืนมาอีกเพราะมันไม่เห็นเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์สิ่งไห้ที่ไม่เห็นเป็นประโยชน์มันก็ไม่เสียดายจะร่วงละเมิดที่มันร่วงละเมิดก็เพราะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์อยู่ว่าเพราะมันยังเป็นมิจฉาทิสติอยู่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันก็เห็นผิดเป็นผิดไม่ใช่เห็นผิดเป็นชอบ อะไรยมุทุก ป, ประเภทมันนึกว่าเป็นทางชีพหมายอะไรเดียวดิงมันก็ไม่เชื่อใจจากพวกามื่อมันก็รักษาได้สินนักนั ก, นกถูกครับทำไมแต่ก่อนนี้ก็อบอกว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วถ้าทําบาปก็ต้องไปตกนรกไม่ได้ปิดไมได้เกแล้วทำไมเดี๋ยวนี้คนมันถึงได้เกิดมากในปัจจุบันโอ้คนในโลกมันมีมากมันเพิ่งออกมาจากวนรกก็มีพวกพวกพวกมาเกิดนี่ มาจากสัตย์ราชานก็มีที่ยังไม่มาก็อักโขนี่ที่เป็นตักแปนวาแรงวันอะไรอยู่จ้ารักวัดไม่รูกอันนี้อันนั้นมันไม่สําคัญหรอกให้คลิป ด, ดูเท่านี้ก็พอหรอกพระพุทธเจ้ามาตัดช ร, ร, รู้แต่รับพระองค์แต่รับพระองค์ได้เพียงเขาโคขนโคปล่อยไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าถ้าไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอยู่ตามตามธรรมชาติของมันก็ถ้ากิดว่าปล่อยอยู่ในตัวเพราะมันไม่มาเลื่อมใสนับถือนะั่ น่ะนักเดี๋ยวนี่ยังตก น, นรกอยู่มากกว่าอยู่ในแผ่นดินอีกทอด้วยเสียงอยู่ใน น, นรกนั่น น, นรกมันจัดเป็นหลายอย่าง น, นรกที่เป็นสัตสนกตว์จิราสานจะจัดเป็น น, นรกเป็นเป็ดจะไ ป, ปใช้อาชีวะกายจะเป็ น, น, นอยู่ใน น, นรกก็มีเสียงอยู่ใน น, นรกก็มีที่เสียงร้อ ง, เ ส, ง, องเสียงคลางเสียงร้องเสียงครางไม่มีเสียงหัวเราะเลยไม่มีกลางวันกลางคืน อ, อยู่ใต้แผ่นดินลงไปใต้เขาตีถูดลงไปถ้าอยากทราบนรกรกชัด จงไปซื้อนังสือไตโรโลกกเปฐานมาดูเถอะเดี๋ยวจะสลดใจไตโรโลกกเปฐานหนังสืออายุออมิอ่านนังสือเริ่มละสี่สิบาทแนทะ้อยู่จังหวัดขอนแก่นขายมีท้องไปวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวจะนําตาไหลไอ้เน้อพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธมาตัดสรุปในพระพุทธศาสนา ในโลกของเราเดี๋ยวนี่มันมาแล้วในกลับนี่มาแล้วกัปชันทูโคนาคแมนูคาสซาโปโคตโมยังศรีอริยเมตตาโยจริงจะเป็นกลับหนึ่งศรีอรยเมตตาโยมาแล้วปเป็นกลับหนึ่งเมื่อกว่าร้อยกรวดพระพุทธเจ้ามาเป็นพรบรีเดียวกันไม่ได้รอบรางพรบรกันเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมูยก็ทักกฎพวกของเราหมดมาลงเอ่ยกันเพราะมันถูกแล้วไม่มีที่จะแก้ไข เป็นธรรมมาธิปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาที่ปัจจัยเนาะดึงวะดึงวะดึงวะพระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาธิปไตยพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาชาวโลกจึงทรงพนามโลกระวีฑูนผู้รู้แจ้งโลกกุริสาธรรมาสารติเป็นนายสนรติฝึกมากเป็นนายสารติฝึกตนเองเหมือนนายสารติฝึกมากทุกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น จึงไม่เดือดร้อนในภายหลังพระพุทธศาสนากา้ไมก้ก้หมูก้ทักก้พวกของข่าวโลกจะตั้งขึ้นถ้าปีงเกลียวพระพุทธศาสนามันไปไม่รอดช่างไม้ช่างก่อสร้างจะเรียนมาจากประเทศนอกไหนๆก็ต า, ามจะทิ้งด่งไม่ได้เสามันตั้งไปมันล้มไปทางไหนมันไปทางไหนก็ต้องเอาดึงทิ้งลงจับให้เป็นอาจารย์เสียก่อนเช่นเสาโต้เสากลาง เโากลางอย่างนี้โซกลางอย่างนี้เช่นเสาสะพานต้องทิ้งดิ่งลงมาเสียกอดชิ้งดิ่งลงมาวัดจากดิ่งไปเท่านั้นวัดจากดิ่งไปเท่านี้ด้านด้านใต้ด้านบนวัดจากดิ่งไปเท่านั้นดินดนดนนดด่งไปเท่านี้ยกว่าวกลางเสมอกันเลยเพราะเอาอาจารย์อาจารย์มาอยู่นี่นทีนี้เดี๋ยวได้ไหม อ, นะ อ, อธิบไตยสามในพระพุทธศาสานา อัตตาที่ปฏายความเห็นตนเป็นใหญ่โลกาที่ปฏายความเห็นโลกเป็นใหญ่ธรรมมาที่ปฏายความเห็นธรรมเป็นใหญ่พระพุทธศาสนาปกครองกันธรรมมาที่ปไตยโลกาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยเป็นเมืองขึ้นของธรรมมาที่ปไตยอัตตาที่ปไตยถ้าพีนเกลียวพระพุทธศาสนามันพอไปไม่รอดพระเจ้าพิมพิสารวางกฎหมายเองเพราะท่านมีชิ้นห้าบริบูรณ์ท่านเอาชิ้นห้าเป็นดิ่งท่านก่ตั้งกฎหมายขึ้นเหตุฉะนั้น กฎหมายของท่านจึงเป็นธรรมาธถปไตยอัตตาธิประทยทีนี้ประชาชนประทยเรามีคำแย่งเหมือนกันทุกวันนี่เอ้าถ้าประชาชนทั้งหลายเพราะว่าไม่มีบาไเ่มบุญเราก็ไม่ไปด้วยฆ่าทิ้งเราก็ยอมให้ฆ่าเนี่ยเอ้านั่นนะนั่นเหตุเช่นั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ประชาธิปไตยประชาชนมันมีกิเลสถ้ากิเลสมันมากมันบอกว่าไม่มีบาไม่บุญไม่มีพระพุทพระธรรระสงค์ว่าอย่างนั้นมันจ้งกันหมดโลกนี้เราก็ไม่ไปด้วยเนี่ยยอมตายเราย่าวมากกว่าสองโป้ง เซ็เลยแล้วมาไปด้วยนั่นจะทิ่งธรรมะที่ปไตยไม่ได้ธรรมะที่ปไตยคือคําสอนพระพุทธศาสนาเนี่นั่นถูกไหมถูกไหมร้อยเปอร์เซนต์อัตราที่ปไตยตั้งขึ้นถ้าเพียงเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดโลกาที่ปไตยประชาธิปไตยเข้าโลกาที่ปไตยค่ายกันประชาธิทปัตยถ้าประชาชนทั้งหลายหมดประเทศไทยนี่ไม่มีบาปไม่มีบุญลงคาเนียนทั้งนั้นเราก็ไม่ไปด้วยีเรารอบยอมตายเลย พงกพวกเดี๋ยวนี้เก็ยอมตายเดี๋ยวนี้แล้วนั่นนั่นเอาทําเป็นแหวนคนไม้คนหมูก็พักกดพวกไม่เอาสินทำเพราะพวกศาสนาเป็นแหวนมันก็ไปไม่รอดดูดูดูดูดูดูผู้เขาเถื่อไม่มีบาปยู่บุญเข้าไปได้ไหมลูกเอ๋ยนั่นนั่นนั่นก็รักเสียนึกว่าจะปกครองโลกแทนไว้ไปได้ไหมละ่ะนั่น น, น่นเอวังเอาละพูดละเกิดปี ต, ตีมากไง ถูกไหมนั่นนี่มีประโยชน์มากเออเทพอัศนายความได้หน่ะเราจะได้บุญมากเนีทนายความตัวนี้ยังไม่สนนีทนายความตัวนี้ไม่สนเนี่ทนายความตัวนี้เป็นนักปราช์เนี่ยบุคคลผู้ใดพูดตามเป็นจริงเป็นทนายความหรือเป็นผู้ตักขีดกว่านี้ หรือเป็นผู้ให้การอะไรก็นี้คนนั้นเขารับเหมาเอาเมืองสวรรค์แล้วพระบรมศาสด า, ศ า, ศาคนนั้นเขารักความดียิ่งกว่าความชั่วคนเราใจถึงก็จริงแต่เขาให้ใจถึงทางดีเถิดพระบรมศาสดาอย่าไปใจถึงทางชั่วเลยครับรมศาสดาคนเรามีอิสระเหมือนกันมีอิสระทุกท่านแต่จงมีอิสระในทางทำดีเถิดอย่าไปมีอิสระทางทำชั่ว ให้เหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งมีอิสระทางกินเจสอนออกอไม่อย่าให้เป็นเหมือนแมลงวันมีอิสระกินมดกินพูดพ่าวบอลกษัตริย์มันก็บอกประชาชิที่ตยของวันแมลงวันแมลงพึ่งมันก็บอกข่าประชาชิที่ตายข้องวันใช่ไหมอันไหนมันดีเรามีอิสระที่จะเอาได้ไม่มีใครผ่มเองความเชื่อไม่มีใครบังคับเราจะควรเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อซัดทาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อป็นต้นนั่น ที่นี่รักที่อื่นสิ่งที่เป็นบาปมันบัญญัติแล้เป็นบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นบุญมันก็บบบัญญัติแลาเป็นบาปก็มีเช่นสุรามีระยะอย่างนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกเขากรบาดบัญญัติดังนั้นกินเป็นระยะมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็เกิดโรคเป็นระยะไม่รู้จากอายเป็นระยะทนกาลังเป็นเป็นระยะเสียเวลาเป็นระยะมันไม่พูดซะ นั่นความดีคนดีทำในง่ายความชั่วคนชั่วทำในง่ายความชั่วคนดีทำในายากความชั่วความดีคนชั่อทำในยากมันตรงนั่นน่นมันมันง่ายง่ายของใครของมันมูดพูดแมลงวันทำในง่ายเจ้าสอนหน่อยแมลงวันทํำในยากแต่แมลงพูดทํำในยากมูดพูดนั่นนั่นยากทาง่ายมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของใครของมัน ศรัทธาตั้งมันแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อนักพระบระมศ า, ษ า, ษาสา น, น, น, นารสอนให้เป็นคนฉลาดไม่ได้สอนให้เป็นคนงูชนะชนะที่เด ก, ก็ต้องชนะอยู่ที่นี่จงชนะความชั่วของตนด้วยความดีของตนจงชนะความเกียดข้านด้วยความมันของตน